มงคลชีวิตมงคลที่29การเห็นสมณะสม น, นันนจะทัศนงังเอตามังขลมุตมังที่ชื่อว่าสมณะ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 รู้จักประมาณในปัจจสี4ห้ายินดีแต่ความสงัดวิเวกหกผู้หมดจดจากกิเลสทั้งปวงเจด็ดผู้ไม่ทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งแปประกอบความเพียรในศีลสมาธิปัญญาวิธีปฏิบัติเมื่อพบเห็นสมณะ